ลาภาพระหันตาสมาสมพุทธเจ้าพระองค์น <c> ั <oughs> ้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาแสดงความองค์อาจสาหัสในใจ ให้จิบใจในความเพียรความมั่นความขยันเต่นขึ้นลุกขึ้นในหัวใจอย่าปล่อยให้อำ น, นาจีนมิตะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาถับผมการนั่งสมาธิในท่านมีระเบียบอยู่ว่าให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วหลับตาตั้งใจบริกรรมภาวนามีพุโทโธพุโทโธในใจเป็นต้นจิตใจหรือว่าจิตคนเหล่านั้นต้องฝึกผนอบรม จึงจะเป็นไปได้ให้ใจมันมีความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันไม่ให้เกียจค้านไม่ว่าจะเป็นการห้องบนสาทยายพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่ให้เกียจค้านให้มัน่นความเพียร น, นั้นคือว่าหมัน่นขยัน กราบพระไหว้พระสวดมนต์ก็ย่าเพียงหมายแต่ว่ามารวมในหมู่ในคณะกราบลาไหวพร ะ, ระเราอยู่คนเดียวก็กราบได้ไหว้ได้นั่งสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ภาวนาได้เดินจมกรมได้ความเพียนนี่แหละกันว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญ วิลยเยนะทุกขมัดเจติพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าผู้มีความภาคเพียนพยายามแล้วกิจกรรมการงานใดๆไม่เหลือวิสัยผู้มีความเพียนพ้นทุกข์ได้แต่ผู้มาภาวนาตั้งใจปฏิบัติ ไม่มีความเพียนแต่อยากให้จิตใจของตนทนจากความทุกข์ความเล่าร้อนต่างๆน้น า, นาทำอย่างไรใจข้าพเจ้าจะสงบระงับมีอุบายอะไรก็อุบายไม่ที้เกศนั่นแหละอุบายมันอยู่ที่ไหนอุบายมันอยู่ที่ความเพียนทำอย่างไรข้าพเจ้าจะสู้กับ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 หาวิธีการที่จะเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้เดี๋ยวนี้กิเลสในใจมันย่ำเยียีตายวาจาจิตของเราอยู่ไม่ยอมให้เราลุกขึ้นปฏิบัติภาวนาได้เต็มที่ทำได้นิดเน็ตแน่นอยแต่ความอยากได้มากอันนี้ไม่ถูก เมื่อมีความเทียนอะไรมันจะเหลือความเทียนโดพระพุทธเจา้าที่ด้านได้ตรัสลูกเป็นพระพุทธเจา้าท่านมีความเทียนทีอสงขายแสนมหากักท่านยังมีความเทียนอำมมันขยนัน เอาจนสำเร็จลุล่วงไปได้นั่นแหละคือความเพียนความเพียนไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเป็นการเพียนทางตายเพียนทางวาจาเพียนทางจิตเพียนหมดทุกอย่างแล้ววิริย์เยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียน ถ้าเราจะมาท่องแค่คำพูดเท่านี้จำได้แล้วก็ว่าได้กิเลสราคะละไม่หมดชื่อว่าไม่ยังไม่มีความเสียงกิเลสโทสะในใจของตัวเองยังไปยึดไปถือมันอยู่ไม่ละให้หมดนั่นแหละมันยังไม่มีความเสียงกิเลสโมหะในใจยังไม่หมดไปสิ้นไป ไปถอยความเพียนได้ที่ไหนต้องเพียนพยายามอยู่ทุกเวลาพระองค์ทรงตรัสว่าเพียนพยายามอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคำว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะั่นคือวัดเพียนอยู่เสมอตั้งใจอยู่เสมอในภ า, ายใน นั่งก็ไม่ยอมให้มันง่วงเหงาหาวนอนยืดตัวขึ้นให้มันสูงสดไม่ให้กระดูกสันหลังมันอ่อนลงไปได้แล้วเทียนเทียนพยายามฝึกตัวเองอยู่มันจะเหลือผู้มีความเทียนไปไม่ได้เพราะว่า บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียรผู้ไม่ทอแท่อ่อนแอในดวงใจไม่ว่าจะทำอะไรย่อมสำเร็จได้ดูตัวอย่างประพุท ธ, ธิจ้าเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องตั้งความเพียรลงไปภาวนาลงไป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 จะจัดว่าเป็นผู้มีความเพียนมีภาวนาไม่ได้ความเพียนความหมันความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้ออนแอร์ใน ห, วหนัวใจเมื่อมันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาก็ให้สีสละทุกสิ่งทุกอย่างลงสู้สู้โดยการละทิ้ง อย่าไปเยึดเอาถือเอาเขาว่าให้เราเขาโดูถูกเราเขียงไม่ดีเข้าหูก็เขียนละออกไปให้มันหมดสิ้นมนุษย์มีตากห้ามมันไม่ให้พูดไม่ได้มนุษย์มีตาห้ามมาให้ดูไม่ได้มันเป็นเรื่องของโลก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 กิเลดในใจมนุษย์คนเรานะั้นมันเป็นไฟไหม้หัวใจของตอนอยู่ทุกเวลาเรายังเด็กอยู่ไฟไหม้ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนไฟภายนอกเด็กไปเถอะเข้ามัก็เหยียดไฟไหม้เข้าไหม้สิบเหยียดมากก็ไหม้มากเข้าโซกองไฟก็ตายเลย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 เมื่อจิตมันไม่มีความเพี่ยนปล่อยให้กิเลสมันทับถมใจมันก็อ่อนแอท้อแท้ที่เศ้าเหงานอนมันก็ไหลมาเทมาก็เพราะจิตมันไม่มีเพี่ยนจิตมันไม่เตินขึ้นไม่ลบขึ้น จิตมันอ่อนแอทอแทนจิตมันคุนมัวมันไม่ใสพุทธอไม่อยู่ในจิตจิตไม่เข้าถึงพุทธพุทธโยภายในใจสว่างแจ่งไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย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 แม่พูดโทคำเดียวก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งคณิขาดเพราะอะไรเพราะองค์นั้นผู้ น, นั้นทำจริงๆปฏิบัติจริงๆเพภาวนาจริงจริงตั้งจิตตั้งใจจริงๆริตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆเอาจริงเอาจังทุกอย่าง <c oughs>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 มันไม่จริงอยา่าไปถอยความเสียนโดคาสาวกในขั้งพุทธการท่านทำจริงท่านเดินจมกลมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมสนเห็นแจ้งสนิพาสท่านทำอย่างไรคำว่าจริง ทีนี้ท่านนั่งภาวนามันก็ง่วงเหงาเหานอนเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านนั่งมันตับพะงกท่านไม่นั่งท่านเดินจมกลมคำว่าเดินจมกลมก็คือว่าเดินก้าวไปก้าวมาในทางในเชเส้นทางจมกลมที่ท่านปัดกวาดไว้นั้น ไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งฐานั่งมันใครหละ่ะหลับตาก็ยิงลายใหญ่เดินเอาอยางเดียวเดินไม่รู้ว่ามันนานเท่าไรละ่ะเดินจนหนังเข้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้แล้วเราท่านทางหลายคุณนั่งภาวนาอยูน่นี่เดินเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้มีหรือไม่เห็นมี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 เมื่อเดินไม่ได้ท่านยังไม่ถอยความเพี้ยนถ้าเราสมัยนี้ถ้าถึงขนาดนั้น่็นอนแผ่แล้วนะไม่เดินอีกต่อไปไม่ภาวนาอีกต่อไปแต่ท่านไม่ยอมเมื่อเดินไม่ได้เขายังมีมือยังมีคานเอาท่าว่าอย่างนั้นทีนี้ก็คานเดินจงกรมไปกลับไปกลับมา ไม่รู้ว่ากี่ข้างกี่ขนแะ่ะเข้าแตกหนังเข้าแตกไปข้างมันไม่ใช่เข่าเราเข้าของกิเลศมือแตกแตกข้างมันเดินไม่ได้มันเจ็บแผกเลือดไหลเราได้คานภาวนาจนแตกเลือดแตกออกไหมไม่มี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 ทีนี้คานไม่ได้ท่านทำยังไงท่านก็ไม่ต้องนอนล่ะแต่ท่านนอนขวางทางจมกลมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลักพลิกเหมือนกับเดินจมกลมในทางนั้นอีกมันเหยียดยาวลงตั้งแต่หัวถึงสีนทีนี้มันจะไม่มีที่ไหนแตกเลยกลิล้งไปพลิกไปจนสุดทางจมกลม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 เท่าผีหลอกเท้าผีหลอกท่านไม่ย่อท้อใจไม่ย่อท้ออันนั้นแหละ แ, ล ะ, และว่าความเชียนไม่ใช่คำเชียนพูดปลายเล่นแ่านีน้ท่านมีความเชียนจริงๆไม่ยอมให้มันนิ่งถ้ามันนิ่งมันกล็ลับพลิกไปกลิ่งกลมไปเลือกมันจะตายก็ข้างสิง ได้ภาวนาทาความเพี่ยนละีิเลกเป็นสิ่งสำคัญความตั้งใจองนั้นเมื่อถึงขั้นนอนเยดตามแผ่นดินแล้วลิ้งไปเถิดมันไม่ไม่แทกแล้วทีนี้มันไม่มีที่ไหนหนักถ้าเดินมันก็ไปลงหนักที่เท้าสี่ปิบ พักทานมันก็ไปที่เข่าที่มือมันหนักทีนั้นถ้านอนเยียดยาวไม่มีที่ไหนมันจะไปนหนักบมันเท่ากันหมดแต่ไม่ใช่ท่านนอนหลับเหมือนพวกเราไม่ใช่นอนภาวนานอนกลิ้งไม่ยอมให้มันหลับในมันน็จเดี๋ยวสติสัมปชัญญะ สมาธิท่านตั้งมั่นลงังองนี้แล้วมีความเพียรที่สุดในพุทธศาสนาไม่มีองค์ใดที่จะได้สำเร็จแบบนี้มีองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าท่านทำจริงเราทุกคนทุกรวงใจถ้ามีความเพียรขนาดนั้นคิดดูสิ ไม่ต้องไปถามหามรรคผลนิทานนะท่านเอาจนสำเร็จแม้เราทุกคอนก็เอาให้มันขนาดนั้นเละมันจะไปเหลือยี่งใสไปได้หรือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันไปถอยเสียก่อนหยุดเสียก่อนมันกลัวตายเนะ่ะมันจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิน้นมันนอนอยู่ในท้องแม่นับพบนับขาดในตัว ก็เพราะจิตอันเนรไม่มีความเพียรไม่สมกับพุทธภาสิทว่าวิริเยนะทุกขมัาเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรไม่ใช่เพียงคำพูดวาจาที่เต่งออกมามันเป็นการกระทำทั้งหมดนั่นแหละดูที่ท่านทำจนกระทั่ง ถึงขั้นนอนนอนจมกรมจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอน า, าคาเป็นพระอรหันตา์าในทางจมกรมนั้นในจิตที่ไม่ไหวหวั่นชั่งเชงไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บ มันจะเจ็ดก็เป็นเรื่องธาตดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารเขาเจ็ดเจ็ดท่านมีความเพียนเจ็ท่านมีความยันหมันเพียรไม่กลัวอะไรทั้งหมดมันจะไม่สำเร็จนั้นไม่มีให้เตือนใจของเราเราได้ทำความเพียนเหมือนพระอระหันต์องค์นั้นหรือไม่ ถ้ายังไม่ถึงเอาให้มันถึงไม่ถึงให้มันตายเสียดีกว่ามาลอกินเข้าศกทุกวันใจขี้เกียจใจที่ค้านใจที่หลับขี่นอนใช่ไม่ได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเชียงว่าเห็นคนอื่นง่วงเหงาหงนอ น, อนตัวเองไม่เห็นตัวเอง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 มันก็ได้แค่โลกียสกเท่านะั้นไม่ถึงขั้นภาวนาละกิเลสไดนะ้จงตั้งใจบำเพ็ญภาวนาเลื่อนตาดูกายวาจาจิตของเราเองอย่าไปมัวเล่นมัวขี่คุยอยู่พูดอะไรตอนน่อมีอะไร ให้ภาวนาละกิเลสไม่ได้ได้แต่ขี้คุยมีขี้อยู่ในหัวใจที่โกรธมันก็อยู่นี่ที่โลภมันก็อยู่นี่ที้หลงมันก็อยู่นี่มันไม่ลดขึ้นภาวนาทําความเสี่อมมันมีแต่ความอยากไม่แต่ตัณหาตัณหามันหามาตันไว้มันหามาปิดมาบังไว้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 ก็เพราะว่าความเพียนไม่ถึงไม่ถึงความเพียนความเพียนไม่มีแม้จะมีก็ินนิดนหน่อยมันเพียนยังไม่ถึงขนาดเพียนให้มันถึงขนาดโดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาว น, นาบารมีสิบบารมีสามสิบทัดเต็มบริบูรณ์ทุกส่วนทุกประการเมื่อถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือหละละกิเลสราคะก็ได้ละกิเลสโทสะก็ได้ละกิเลโสโมหะก็ไ ด, ได้ไม่ได้ยังไงท่านมีความเพียน ท่านไม่ใช่งอมืองอเท่าเหมือนพวกเ่าทั้งหลายท่านตื่นขึ้นท่านลุกขึ้นท่านยืนหยัดต่อสู้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งเนื้อทั้งตัวพบอย่างเมื่อมันลุกขึ้นเต็มที่นั่นแหละแล้ววิเยนทกขมัดเจติติ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 เป็นผู้มีความเพียรอันใหญ่ยิ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนไมีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาเขี่ยมสอนให้พระองค์มีความเพียรเองความมั่นความขยันความอดความทน ละองฝึกฝนอดปลอมจิตใจของกระองค์มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถอาถารทุกจริงทุกอย่างเหมือนกับว่าผืนแผ่นดินหนักเท่าไหร่มันเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินลอยได้นันล่ะคือว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีที่ใจพระ พระเจ้พุทธเจ้าเป็นผู้มีเขียนเจดใจพระอรหันตาก่นาศกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความเขียนเจดใจของพระโสดาพระสัจาคขาพระอนาคาท่านมีความเพียนคว า, ามสามารถอาทานไม่ใช่กี้เซาเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญ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 หนักเท่าแผ่นดินก็เอาแผ่นดินคลิวไปได้ความเพียรความหมัน่นความขยันความตั้งใจไว้ดีชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเยตใจจะไม่สงบระงับไม่ได้ก็ทุกทิงทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่เร็วสร้างสรรค์ฝึกผลอบรม เท่ากันก็ว่าในตัวของผู้นั้นมันมีปีกมีหางมีเครื่องยนต์กลไกเหมือนแผน่นเหมือนเครื่องบินมันดินไปในบนฟ้าบนอากาศได้ทำไมมันไายได้เพราะมันมีปีกมีหางมีอะไรครบทุกอย่าง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 ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรนั่งสมาธิภาวนาหลับตาภาวนามันก็ได้ชั่วเม็ดๆในหนอ เ, น เ, นเนมื่อความเพียรไม่มีก็สร้างความเพียรให้เกิดมีขึ้นพุโทโอในใจหลงไหลธรรมะไม่ต้องหลงไม่ต้องหลึกนั่งก็พุทโอในใจ นอนก็พุทโธในใจเดินก็พุทโธในจัจเดินไปไหนมาไหนก็พุทโธในจใจไหนก็พุทโธในใจกิเลสโลเลละให้หมดโลเลทางตาโลเลทางหูโลเลทางจมกูกทางจิง่ตโลเลในอาหารการกิน่นเลิกละให้มันหมด กายวาจาจิตนั้นมันเต็มไปด้วยความหมั่นความขยันคำแข็งความสามารถอาถารไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าเป็นคนใจดีใจงามใจเฉลียวฉลาดามสามารถอาถารไม่เป็นคนใจเน่าคนใจเน่าใจเหน็บไปโยที่ไหนก็นเน่าที่นั่นเหม็นที่นั้น เห็นสมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์ไม่ทำให้มันเกิดมีขึ้นมีแต่เรื่องเน่าเรื่องเหม็นเรื่องโมโหโทโสฟุ้งซ่านลาขาดไม่เลิกไม่ละความโกรธไม่เลิกไม่ละความโลภโละจิตเท่าแผ่นดินไม่เห็นเลิกละให้หมดนั่นแหละ จึงให้ชื่อว่าเพียนเพียนละกิเลสมีมากน้อยเท่าไรกิเลสหยาบก็เพียนละให้หมดกิเลสอย่างกลางก็เพียนละให้หมดกิเลสอย่างละเอียดก็เพียนละให้มันหมดไม่หมดจะไปถอยความเพียนตั้งใจเพียนลงไปอย่างนั้นโยตลอดเวลา เมื่อมีความเปียนเต็มที่ได้เมื่อใดเวลาใดมันก็รู้แจง้งรู้จริงขึ้นมาในหัวใจที่มีความเพียนนั้นแหะไม่ใกล้มือเท่าร่างกายมันมีความเปียนเจ็บนั่นมันมีนมความเพียนเจ็บมันมีความสา ม, มารถอาถารเจ็บมันไม่ทอแพ้อ่อนแอเจ็บมันมีสติ สำปชัะญญมีสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อจิตมันมีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันวิเศษเกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีความเพียนมันก็รู้ได้เข้าใจมันจะไปรู้ที่ไหนรู้ที่กายวาจาจิต ลูความขี้เกียจที้ค้านแล้วละทิ้งให้มันหมดไม่ต้องมายึดหน้าถือตาตัวโกของโกตัวข่าของข่าข่าเป็นอะไรข่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เป็นไปสู่ความแก่ความสลายเป็นไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปสู่ความตายเหมือนกันตายแล้วมันมีวิเศษวิโสอะไร ยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรี่เลสเหล่านี้ให้พ า, ากันลุกขึ้นตื่นขึ้นยามามัวนั่งนั่งนอ่นอ น, น, อนเล่นอยู่เปล่าๆนั่งก็ให้นะภาวนาในจิตตั้งจิตให้มีความเปลี่ยนความมันยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทาจริงๆปฏิบัติจริงๆ มันไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นมันพอดีนะทำเทียนให้มันถึงถึงได้ทุกคอนถึงได้ทุกหัวใจโลได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมีความเทียนหรือยังมันตั้งใจมั่นหรือยังในใจนะั้นไม่มั่นคงมันไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้กินข้าวผาหัวใจหรือกินข้าวผาหัวใจทุกวันทําไมใจมันจึงไม่มีความเปลี่ยนเพลียนละกิเลสทาไมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเอากิเลสทําไมมันเปลี่ยนเอาได้กิเลสราคะโทสะโมหะทําไมมันมีเต็มกายเต็มใจเต็มวาจาของทุกๆคน ไปไหนมาไหนก็กีเลดความโกรธความโลภความหลงแบกไปหาไปหามไปทะเลทะลากีเลดโลเลพระพุทธเจา้าสอนใหน้ละทิ้งได้ละทิ้งหรือย่างได้ปล่อยได้วางทิ้งหรือย่างไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ตั้งเดี๋ยวนี้ไปตั้งที่ไหน ไม่เพียนพยายามเดี๋ยวนี้จะไปเพียนเมื่อใดเวลาใดก่อหกพกลมตลอดเวลาใจไม่จริงคนไม่จริงเกิดมาทำไมเป็นชายทำไมใจไม่แกลก้าสามารถเหมือนสัพพุตธธิจา้าเป็นหญิงทำไมหญิงไม่แกลก้าสามารถเกิดมาทำไมตายเสียดีกว่า เปลืองเข้าสกแหนาไม่ตั้งอกตั้งใจมันจะเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวขนาดไหน้ามันเหนื่อยไปหิวไปให้จิตเรามีความเพียรกายไม่ว่าทำอะไรให้มีความเพียรใจภาวนาบทใดขอด้อใดก็ให้มีความเพียร มีแต่ความอยากจะเป็นโน้นจะเป็น น, น, น, นี่จะเอาอย่างโน้นจะเอาอยางนี่แต่ว่าเท่าเส้นผมมันก็ไม่เอามันจะได้อะไรมันได้แต่ความขี้เกียจขี้ข้านมักง่ายท่อถอยกลัวตา ย, ยาใจมันไม่ลุกขึ้นไม่เทียนถึงขนาดนั้นพระสาวกเจ้าทั้งหลายใน พลังุทธกาลท่านเดินจงกลมภาวนาทาเพียงอย่างเดียวจนนอนจงกลมแล้วก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จมันไมเ่เยอะเหลือแหละเอาถึงขนาดนั้นละมันได้ทุกคนมาเลยดังนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก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 สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเอาไปทาความเปี่ยนละกิเลสในจิตในใจของตนไม่ใช่พระองค์ไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายละเองปฏิบัติเองถ้ามันเต็นที่เต็นฐาน เมื่อยังไม่เป็นที่เป็นฐานไม่ต้องบน่นทุกอะไรสรัน่าไม่ต้องไปบน่นมีความอดคัาทนมีความเจียนความหมัน่นมีความขยันขันแข้งไม่ทอแท่ออนแอในหัวใจในจิตในใจนะั้นกายวาจามันก็ไม่ทอดแท่ออนแอเหมือนกัน ใจเอากายวาจามันเอาทาั้งนะะจิตมันเป็นนายร่างกายมันเป็นบ่าวไพร่ลาบสะดอดถ้าจิตมันสั่งการให้ทาให้ปฏิบัติให้เลิกให้ละละได้หมดเ่ย น, น, นั้นพุทธภาสิทธ์ที่พระองค์ทรงตัดไายว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติ บุคคจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรพระพุทธเจ้าได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะความเพียรพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรสนิยมแจ้งคณิพานท่านก็มีความเพียร ความขี้เกียดที้คานมักง่ายทันละทิ้งปล่อยทิ้งตัดทิ้งเอามันเด็ดขาดลงไปความเทียนมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ไม่ว่ากิ จ, จกรรมการงานใดๆทายนอกทายในเมื่อมีความเทียนทำได้ปฏิบัติไนดะ้ทุกอย่างไป บาพระอษฐุติเจ้าสอนว่าไม่ให้ทำแล้วก็เลิกในกายวาจาจิตของเราเด็ดขาดลงไปเมื่อละบาปได้พกในเรื่องบาปมันก็ไม่มีเมื่อไม่ละบาปทำบาปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนตลอดชาติ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 โลจักโูกแจ้งู้จริงู้แจ้งแทงตลอดในโลกในทางโลกและทางธรรมมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนแ่ะแต่ว่าทุกคนไม่เพียนพยายามาทุกคนมีความเพียนความมันความขยนันขันแข็งสามารถหาหานแล้วก็ย่อมสาเร็จรุล่วงได้ทุกทวนนา ฉะนั้นดวงจิตดวงใจของเราอย่าได้ประมาทต่อไปประมาทมาแล้วก็ให้แล้วไปต่างแต่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทพกลมหายใจเข้าออกมารณะกระมฐานพดทอในดวงใจไม่ให้หลงลืม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 สัพพิติโยหิวัตชันตุสัพพโลโคโนัสตุมาเตพวัตะวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะหิวาธนาศิริสนิจังบุตธาปจายิโนยัตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภากลาง